ตัตตาภะวะตูอรหัตูสมมาส ม, ามุทัสสะนะโมตัตตาภะวะตูอรหัตูสมมาส ม, ามุทัสสะนะโมตัตตาภะวะตูอรหัตูสมมาสมุทัสสะบุทานุสติเมตตาจะสุขังบรลนัสติ อิติมาเจตุลาลักขาคาสปาจวิปัสนาติอิมัสสะธรรมะปริยายะสะอัโทชาทายสมันเตหิสักจังโซตัปุตีนับบัดนี้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 ให้อาจมาภาพได้มาแสดงธรรมเพื่อเป็นการรักษาจารีตประเพณีของพระบุรพาจารย์ของเราพระบุรพาจารย์ของเราที่มีบทบาทและมีความสำคัญซึ่งนำความเจริญทางปริยติธธรรมและการปฏิบัติธรรม มาสู่วัดนี้รวมทั้งภาคอีสานทั้งหมดได้แก่เจ้าพระคุณอบาลีคุณโอปะมาจาร์สิริจันทูจันทึ่งวัดโพลมมันิวาสวั์วัดปุมวนารามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงยกให้เป็นที่ พำนักอาศัยของพระภิกษุสง์ทางภาคอีสานเพื่อจะได้มาศึกษาเราเรียนนระปริยติธรรมและปฏิปัติติธรรมโดยมีเจ้าพระคุณบาลีเป็นเระเรละผู้ใหญ่เป็นท่านนำและท่านผู้นี้ไถ่ล้างได้นับสมณศักดิ์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 เจ้าพระคุณไนรปุหมายถึงว่าท่านมาลนาภาพแล้วได้รับพระราชทานปูปรดเป็นเกียติยศเป็นองค์แรกของภาคอีสานคร <c oughs> <c oughs> ั้นภายหลังท่านเจ้าพระคุณองค์นี้ได้ลุกติดองค์สำคัญสององค์เช่นหนึ่งเจ้าพระคุณสมเด็จสมหาวีระวงศ์ติดสมหาเทระ ซึ่งเป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดนี้และเป็นสมเด็จองค์แรกของภาคอีสานแล้วก็เป็นคสังฆนายกองค์แรกของคณะสงฆ์ในประเทศไทยสมัยรัชธรรมาลนสมเนองค์หนึ่งและเอกองหนึ่งคือพระอาจารย์เสากันตาสีโลพระอาจารย์เสากันตาสีโล เป็นพระเถระซึ่งสนใจในฝ่ายวิปัสนาธุระดำเนินชีวิตในทางด้านปฏิบัติสมถะสมถารในวิปัสนาสมถานโดยตรงโดยไม่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาหรือการปกครองโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งเจ้าพระคุณพระอุบาลีพุทโธปมาจารย์สิจันโทจัน นับว่าเป็นดวงประทีปแก้วของภาคอีสานนอก จ, อ า, จากจะจะนำการศึกษาทางสายปริยัติธรรมและการปฏิบัติธรรมนำความเจริญไปสู่ภาคอีสานในทางด้านศาธนศึกษาแล้วก็เยังยังได้นำหนังสือไทยไปตั้งสอนที่ วัดตุปัตตาลามจังหวัดอุบลราชธานีเป็นแห่งแรกหลังจากนั้นชาวไทยอีสานก็เริ่มอ่านหนังสือไทยออกและเขียนหนังสือไทยเป็นแล้วก็ได้ส่งคณรบุตรเข้ามาศึกษาเล่าเรียนปริยัติธรรมในกรุงเทพและมหานครมากขึ้นทุกที่ทุกที่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 แต่ความจริงกรรมฐานทั้งสายอาจารย์มั่นอาจารย์เสาในีบมาก่อนแล้วกำเนิดคณะธรรมยุทธ์ในจังหวัดตูบลเกิดขึ้นโดยคณะกรรมฐานโดยเจ้าพระคุณพระอริยกวีอ่อนซึ่งได้ถูกสมเด็จสมมาหาสมณาเจ้ากลมพระยาวะจจรยานวโรรสไปปฏิเสธฐานคณะธรรมยุทธ์ลงที่วัดศรีอุบลรัตนาราม ท่านองค์นี้ได้นำปริยัติธรรมและการปฏิบัติธรรมไปเผยแพร่ตามแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่สี่แล่เราก็าเริ่มมีพระประรมาชานตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมานั้นมาภายหลังโลกสิทธิ์ของเจ้าพระคุณองค์นั้นคือพระอาจารย์สีธาชายาเสหน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 ได้ศึกษาการปฏิบัติสมฐานในสำนักของอาจารย์สีธาและเจ้าคุณตะอริยศวีอ่อนแล้วก็ได้มาศึกษาปริยัติธรรมในกรุงเทพรมหานาครได้ข่าวแว่วๆว่าในตอนต้นไปทำนักจุติวัตรที่ชัยยิคนบุรีแล้วภายหลังก็มีบัญชาให้มาเป็นเจ้าอาวาสวัดโพลมณีวาส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 น่าจะนั้นในยุคหลังๆนี้ท่านเจ้าพระคุณองค์นี้ได้มาได้ลูกติดผู้ใหญ่สององค์คือท่านเจ้าพระคุณสมเด็จสมหาวีระวงศิตสมหาศีระท่านองค์นี้จัดการปกครองการศึกษาข้างสายปริยัติธรรมในทางฝ่ายท่านอาจารย์เสาได้จัดการเผยแพร่ทางผู้ดงกรรมฐ า, าน แล้วก็เปเราก็มารู้กันว่าสมฐานมีเพียงแค่สมัยท่านอาจารย์เสาอาจารย์มั่นแต่แท้ที่จริงมีมานานแล้ว <c oughs> แต่มาสมัยท่านอาจารย์เสาอาจารย์มั่นโดยท่านอาจารย์เสาอาจารย์มั่นได้นําคณะออกเดินทุ่ดงไปพักแปลงตามถ้ำตามหิวตามสถานที่วิเวกตา่างๆแล้วก็ได้สร้างวัดสํานัก ส, สมฐานขึ้น ในภาคอีสานเป็นจำนวนมากจนปรากฏว่ามีจำนวนวัดเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนหลายร้อยวัดในภาคอีสานในปัจจุบันนี้ที่นี้เจ้พระคุณดังที่กล่าวมานั้นท่านปฏิบัตริ ร, รมาฐานโดยอาศัยอะไรเป็นหลักท่านอาศัยหลักอารักฐัก ร, รมาฐานสี่ประการ ดังพุทธภาติที่ได้ยกขึ้นในเบื้องต้นว่าพุทธานุสติเมตตาจะเป็นต้นอารักษานธรรมฐ า, านเพื่อธรรมฐ า, านที่พึงสงวนรักษาไว้เป็นข้อปฏิบัติมีอยู่สี่ประการเพื่อหนึ่งพุทธานุสติและเลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าสองอสุภาธรรมฐ า, าน ที่เจรนากายให้เดนเป็นของอสุภะเป็นสิ่งที่น่าเกลียดโสขปฏิกูลสามการเจริญเมตตาสี่มรณะสติการละเล็กถึงความตายอันนี้เป็นหลักกรรมฐ า, านที่พระคุณเจ้าดังกล่าวมานั้นได้เด็ดเป็นหลักปฏิบัติ อันนี้เป็นหลักปฏิบัติกรรมฐานที่มีอยู่ในคำปีพระธรรม <c oughs> พวดทานุสติการและถึงคุณของพระพุทธเจ้าตามที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมาหรือได้ยินได้ฟังครูบาอาจารย์ท่านแนะนำคร่ำสอนหมายถึงการเจริญพุทธคุณเช่นอย่างเราทำวัดรสวดมนต์ข้าวย็น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 เตโรอริยสัจจะทำทั้งสี่ทุกสมุทัยในโลดมัดแล้วสอนบุคคลอื่นให้รู้ตามด้วยอันนี้เป็นประปัญญาคุณพระคนประการที่สองพระพุทธเจ้าเป็นผู้มีความบริสุทธิ์ะสะอาดปราศจากกิเลสน้อยใหญ่ทั้งพวงแม่กิเลสเท่าธุลีไม่มีเหลือติดอยู่ในพระไทยของพระองค์อันนี้เป็นปราบริสุทธิคุณ เมื่อพระองค์พร้อมด้วยพระคุณทั้งสองประการดังที่กล่าวมาพระคุณที่สามคือพระองค์เป็นผู้มีพระมหากรุณาธิคุณมีพระทัยกว้างขวางเสื่อแผ่แม้พระองค์จะบรรลุคุณธรรมเสวยวิมุตติสุขแล้วก็ยังไม่ทรงจิตแก่ตัวยังโชติศาสละความทุกข์ยากลำบากเต็มเลยส่วนพระองค์แสดงพระธรรมเทศนาโปรดเปในสัตย์ ให้โลจับบาคุลคุณโทษประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์และีผู้ปฏิบัติตามได้ัช น, นูมรรคผลนิพพานตามอย่างพระองค์มีจำนวนไม่น้อยอันนี้เป็นสรมหารุณาที่คุณผู้ที่ทรงามด้วยพระคุณอันใหญ่สามประการดังกล่าวมาเชื่อว่าเป็นพระพุทธเจ้าทีนี้บทปฏิบัติเกี่ยวกับาการเจริญสม า, าน ด้วยการเจริญพุท ธ, ธานุสติตามแนว่างที่ครูบาอาจารย์ท่านสั่งสอนท่านก็ให้กําหนดโลลงที่จิตแล้วก็ลึกบริกรรมภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธการบริกรรมภาวนาพุทโธเนี่ยเป็นอบายอย่างหนึ่ง เสิ่งหาสิ่งให้ติดให้ติดของเราเย็ดมัน่นจึงอยู่ในบางกลง้งตพระพุทธเจ้าสอนธรรมะให้ปล่อยวางให้ปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างปล่อยวางกิเลสตัณฐามานะพิสิทิแต่อบายวิธีการปฏิบัติสมถานั้นต้องหาอะไรสักอย่างหนึ่งให้จิตของเราติดอย่างเหนียวแน่น เช่นคําว่าพุโทโธเป็นต้นเวทีบริต ร, รมภาวนาพุโทโธท่านแนะนําให้เลิกพุโทโธไว้ที่จิตเอาจิตไว้กับพุโทโธด้วยความตั้งใจประคับประคองจิตให้เลิกพุโทโธอยู่ตลอดเวลาในขณะที่เราเลิกพุโทโธไม่ต้องเป็นเลิกอย่างอื่นแม้แต่คําว่าเมื่อไรจิตจะสงบ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 ลำทางแต่เราสามารถทำจิตให้ติดอยู่กับพุทธโธไม่พลาดจากกันท่านผู้ฟังลองคิดดูสิว่าเราจะได้ประโยชน์อะไรจากการนึกพุทธโธถ้าเราไม่มองข้ามสิ่งเล็กน้อยเราอาจจะเห็นผลประโยชน์ในการนึกพุทธโธ จะเป็นใครก็ตามท่าเนเล็กพุโทโธคําเดียวตลอดวันย่างทำติดต่อกันไม่ขาดสายจนไม่ว่างเว็นจิตของท่านจะไม่มีโอกาสส่งกระแสไปสร้างบาปกรรมอย่างอื่นเพราะติดอยู่พุโทโธอย่างเหนียวแน่นแล้วเมื่อเจติอยู่กับพุโทโธอย่างเหนียวแน่น <c oughs> พุทธาลุกเติการละลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าเริ่มจะได้ผล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 แล้วเราเอาสิ่งนั้นเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติตลอดเวลาความสงบของจิตนั้นจะไม่เกิดขึ้นย่อมเป็นไปไม่ได้อันนี้ตุบายขั้นต้นแห่งการบริกรรมภาวนาพุทธโธหรือพุทธานุสติทีนี้เมื่อโตอมาบริกรรมภาวนาพุทธโธแล้ว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 พอหลังจากนั้นเมื่อจิตเกิดมีความสงบเันจริงๆแล้วปีเตะและความสุขก่อมเกิดขึ้นในเมื่อปี 4, เตะความสุขเกิดขึ้นในจิตจิตก็ทอเทินอยู่กับปีเตะและความสุขนั้นลืมทุกสิ่งทุกอย่างอันเป็นเรื่องอื่นจิตก็มุ่งตรงต่อความสงบเป็นลําดับ เริ่มต้นแต่คณิสะสมาธิอุปจารสมาธิและอัปปนาสมาธิเป็นลําดับๆไปก็แสดงว่ากายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบกายควนจิตควนกายคล้องจิตคล่องเมื่อมันคล่องตัวทุกสิ่งทุกอย่างคล้องหมดทุกสิ่งทุกอย่างเพราะในขณะนี้ผู้ปฏิบัติจะรู้สึกว่ามีความสบายอย่างมาก บางทีเอนั่งสมาธิอยู่ตลอดเื่อนยัรงยืนถ้าจิดไม่ถอนจากสมาธิอันนี้คือผลที่จะ เ, เกิดขึ้นในการภาวนาด้วยบริกรรมภาวนา <c oughs> แม้แต่เราจะบริกรรมภาวนาอย่างอื่นเมื่อผลเกิดขึ้นก็มีลักษณะอย่างเดียวกันบริกรรมภาวนาเนี่ยในขั้นต้นเราเนึนถึงบริกรรมภาวนาเรียกว่าวิตก เมื่อจิตจดจ้อ ง, งอยู่กับอริยธรรมภาวนานั้นไม่ทราบจากกันเรียกว่าวิจารณความดูดดื่มของจิตกับอริยธรรมภาวนานซึ่งทราบเข้ากันแล้วก็เกิดมีความิ่มอกอิ่นใจเรียกว่าปีติในเมื่อปีติเกิดขึ้นสุกอันเป็นผลผลพลอยได้ก็ตามมาในเมื่อปีติแหลสุกเป็นเครื่องเลี้ยงจิต ก็ย่อมดำเนินไปสู่ความสงบเรื่อยไปจนกระทั่งถึงอัปตนาสมาธิที่นี้สมาธิมีสามขั้นตอนหนึ 1, ่งพระนิการสมาธิสองอุปจารสมาธิสามอัปตนาสมาธิคะนิการสมาธินั้นเราหมายเอากันเพียงแค่ไหนความสงบบ้าแปรเพียงเล็กหน่อย แล้วมีแสงปรากดปั๊บแล้วก็หายไปนั่นแสดงว่าจิตสงบนิดหน่อยอันนี้เรียกว่าอา น, นิสตสมาธิเมื่อจิตสงบนิ่งมา่งสว่า ง, วางลงไปแล้วจิตยับยั้งอยู่ในความสงบได้ลานพอสมควรซึ่งเป็นสิ่งที่เสียเสียดเข้าไปใกล้ต่อความสงบนิ่งความรู้สึกว่ามีลมหายใจปรากดอยู่ความรู้สึกว่ามีกายก็ปราบกดอยู่ แต่จิตอยู่ในลักษณะที่มีปีติในความสุขตลอดเวลาอันนี้รด้เพราะจิตอยู่ในอุปจาระสมาธินั่นจิตละเอียดซิ่งเข้าไปกว่านี้ปีติในความสุขหายไปแม้แต่ตายซึ่งมีมปรากดอยู่ก็หายไปด้วยทุกสิ่งทุกอย่างหายไปหมดยังเหลือแต่จิตสงบนิ่งสว่างอยู่อย่างเดียว และจิตรู้อยู่เฉพาะที่จิตอันเดียวเท่านั้นไม่มีอาการแห่งความรู้สึกนึกคิดใดๆปลากุดขึ้นไม่รู้เรื่องภายนอกกายก็ไม่มีลมหายใจไม่มีมีแต่จิตดวงเดียวล้นล้วนนิ่งสว่างสวัยอยู่อันนี้ได้ปกะจิตอยู่ในอัปปนาสมาธิ เกจิอยู่ในอัปปนาสมาธินี้ถ้าเรียกว่าจิตถึงขั้นสมถะกรมมฐานสมถะกรมฐ ม, ฐ า, มฐานที่จิตอยู่ในความนิ่งสงบจากนี้จิตก็ไม่เกิดความรู้จึงมีคํำกล่าวว่าผู้บริกรรมภาวนาพุโทโธจิตได้แต่เพียงแท่ท่านสมถะกรรมฐา น, ฐานท่านว่าอย่างนั้นอันนีก้ก็เป็นคํำกล่าวที่ถูกต้อง แต่ความจริงถ้านับภาวนาได้สังเกตดูให้ดีแล้วการบริกรรมภาวนาทุก อ, อย่างจะทำให้ใจสงบเิี่ยงลงเพียงแท่อุปจาระสมาธิเท่านั้นลองคิดย้อนหลังไปดูสิว่าถ้าพระท่านผู้ใดเคยภาวนาพุโทโธจิตสงบเป็นสมาธิได้ พอภาวนาพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธไปพอจิตมีอ า, าการเคลิ้มเคิ้มสงบลงไปสว่างขึ้นมาแล้วทำภาวนาพุโทโธหายไปใช่ไหมดัะนั้นเราจึงตัดสิในใจเลยว่าการบริกรรมภาวนาจิตสงบลปงได้เพียงแค่อุปจารสมาธิไม่ถึงอัตนาสมาธิ เพราะฉะนั้นบริกรรมภาวนาทุกอย่างจึงทําติดให้ถึงอัตนาสมาธิหรือขั้นสมถะไม่ได้ถ้าอย่างนั้นกานรภาวนาพุโทโธนี่จะได้ผลอย่างไรโจูบาอาจารย์มีคําแนะนําในตอนนี้ว่าเมื่อภาวนาพุโทโธทําจิตให้สงบนิ่งสว่างลงไปแล้วคําบริกรรมภาวนาหายไป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 นักงนั่เข้าลมหายใจจะเป็นสื่อนำจิตให้ดำเนินเข้าไปสู่ความสงบอย่างแน่วแน่คืออัปปนาสมาธิในความเป็นจริงในประสบการณ์เป็นอย่างนี้ <c oughs> ทีนี้ถ้าหากว่าพกภาวนาพูดโธรหรือบริกรรมภาวนาทำทีไเจ็ตมันก็ไปสงบนิ่งนิ่งเน่งน่งอยู่เกงแค่อัปปนาสมาธิไม่เกิดความรู้อะไร เมื่อใตสงบนิ่งอยู่ในอัปปนาสมาธิไม่เกิดความรู้จริงๆมีแต่สภาวะรู้อยู่ที่จิตอย่างเดียวแต่เราจะทำปัญญาให้เกิดเมื่อใดเราคคอยสังเกตูว่าจิตถอนออกมาจากอัปปนาสมาธิพอปรากฏว่ามีร่างกายเมื่อมีร่างกายแล้วความคิดก็เกิดขึ้น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 เจดจ่อมทราบซึ้งและมีความรู้ความเปลี่ยนแปลงของสิ่งนั้นแต่ถ้ า, าว่าจิตของเราดูแต่เพียงแค่เกิดดับเกิดดับอยู่เยเฉยไม่มีความรู้อะไรเกิดขึ้นทั้งเจตก็อยู่ในแค่สมถะแต่ถ้าหากว่าจิตเอาความเกิดดับเป็นเครื่องรู้สติเอาความเกิดดับเป็นเครื่องระลึกนักหนับเข้าจิตย่อมจะรู้ ความเปลี่ยนแปลงของจิตตาของความคิดเองในเมื่อกาหนดหมายความเปลี่ยนแปลงอนนี้จัสัญญาความสําคัญมั่นหมายว่าไม่เที่ยงย่อมเกิดขึ้นกับจิตของผู้ปฏิบัติในเมื่อเจตสําคัญมั่นหมายในความเปลี่ยนแปลงความเปลี่ยนแปลงคือความไม่เที่ยงความไม่เที่ยงคืออนิจจังอนิจจังก็คือความไม่เที่ยงเมื่อจิตรู้ความไม่เที่ยงของสภาวะที่เกิดขับกับจิต จิตก็ย่อมก้าวขึ้นสู่ภูมิแห่งวิปัสสนาด้วยประการชนิดแต่ถ้าว่าเมื่อท่านทำาจตให้สงบนิ่งเป็นสมาธิแล้วเมื่อสมาธิถอนออกมาปล่อยโอกาสให้มันผ่านไปโดยไม่กำหนด ร, รู้ความคิดต่อก็เป็นอันวา่าการภาวนาจิตของท่านกติดอยู่เพียงแค่สมถะกสมถานเท่านั้นเอง ทีนี้สิ่งที่เป็นเครื่องหมายแห่งความไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาก็หมายถึงความคิดที่เกิดดับเกิดดับอยู่ภายในจิตนั่นเองในเมื่อมีความคิดเกิดดับเกิดดับอยู่ภายในจิตคิดมีเครื่องรู้โดยเอาความเกิดดับเป็นเครื่องรู้สตาเึงเอาความเกิดดับเป็นเครื่องละลิกในเมื่อเกิดมีความสำคัญมั่นหมายว่าไม่เที่ยงเกิดขึ้นภายในจิตจิตก็ก้าเดินเข้าไปสู่วิปัสสนาเองโดยไม่ได้ตั้งใจ ในขอให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายจงพึงสังเกตด้วยประการอย่างนี้ <c oughs> ที่นี้ในเมื่อเรามาเจริญพุท ธ, ธานุสติเพื่อทำสมาธิในขั้นต้นจนกล้งตัวแล้ว <c oughs> เพื่อจะให้จิตของเราเนี่ยมีตตยสติตัญญาปฏิวัติจนไปสู่การพิจรารณาในขั้นที่สอง อันนี้เป็นแบบของท่านอาจารย์เจ้าคุณเต้าอุบาลีสอ น, อนตอนต้นเจริญพุทธานุสติเมื่อเจริญพุทธานุสติค้่องตัวแล้วขั้นต่อไปก็จะเปิดขาดิตให้เกิดสติปัญญาท่านให้พิจารณาอาสุพะสมถานซึ่งเรียกว่าอจาุพังซึ่ง <c oughs> หมายถึงการ ที่เจรณาอาการสามสิบสองอย่างพระพิสุงสงฆ์ที่ปวดในพระพุทธศาสนาในวันแรกเลอาปชาญาท่านสอนโมระ ก, กรรมาฐานคือกรรมาฐาน5้าท่านนำให้ว่าเกศาโลมานาขาทันตาตาโูและป่าว่าย้อนกลับมาตาโจทันตานาขาโลมาเกศา แล้วก็นแนะนําให้พิจารณาสิ่งทั้งห้าให้เห็นเป็นของปฏิกูลหน้าเกลียดโสโครกโไม่สวยไม่งามเพื่อจะให้จิตโลดซึงลงไปถึงแก่นแห่งความเป็นจริงว่าเป็นของปฏิกูลน่าเกลียดจริงๆเพื่อจะได้เป็นอบายถ่ายถอนราะความกำหนัดจริงๆไม่ให้เกิดขึ้นกลุ่มลุมจิตใจเราจะได้อยูเย็นเป็นสุขในราธรรมวิไนตื่นไป อันนี้เป็นการฝึกขัดจิตให้ในการก้าวเดินไปสู่ภูมิแห่งนิสน า, าถ้าว่าใครจะสามารถกำหนดพิจารณาไปจนครบอาการสามสิบสองก็ได้ในท่านนี้ท่านสอนให้พิจรารณาตายทั้งปวงนี้ให้เห็นเป็นของไม่สวยไม่งามน่าเกว่าคนงามคนที่มีขนงามเขาเรียกคนงาม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 ให้เห็นเป็นสิ่งที่ปฏิกูลน่าเกลียดจริงๆทีนี้เราอาจจะมีคนอบายพิจารณาไปหลายๆอย่างจะพิจาจรณาในแง่ว่าผมขนเล็บพันหนังเป็นของปฏิกูลน่าเกลียดโสเข้าก็ะดัจะพิจาจรณาในแง่ว่าผมขนเล็บพันหนังเป็นตะเกียงข้าศ์ศี่ดน้ำลมไฟไม่ใช่สาธุคนตัวตนเราเขา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 เจิตของเราจะปฏิวัติไปสู่การพิจารณาเองโดยไม่ได้ตั้งใจก็แสดงว่าการพิจารณากรรมฐานล่มจะได้ผมแล้วทีนี้เมื่อจิตมีการตั้งตัวในการพิจารณาพอเนิ่นถึงผมมันก็พิจารณาไปเองว่าผมเป็นของปฏิกูล น, น่าสิเนิกถึงผล ม, มันก็พิจารณาไปเองเนิ่นถึงอะไรมันก็พิจารณาไปเองโดยไม่ได้ตั้งใจ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 ทีนี้พอพูดมาถึงทั้นตอนแห่งการพิจารณาพระเจ้าพระสงฆ์ทั้งหลายท่านสอนกรรมฐานท่านระสอนให้พิจารณาตายเวทนาจิตธรรมเป็นหลักใจถ้าบางท่านอาจจะคิดว่าเราเอาสิ่งอื่นนอกจากหลักการที่ท่านเขียนไว้ในตำรับตำรามาเป็นแนวทางปฏิบัติหรือมาเป็นอารมณ์กรรมฐานจะไม่ได้หรือ อันนี้ขอทําความเข้าใจก่อนว่าธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนหรือศาสนาพุทธที่พระพุทธเจ้าสอนธรรมะคือสอนให้ผู้ปฏิผู้ศึกษาผู้ปฏิบัติรู้กฎธรรมชาติของความเป็นจริงกฎธรรมชาติของสิ่งที่จะแสดงกฎธรรมชาติให้เรารู้เห็นความเป็นจริงนั่นคืออะไร สิ่งที่จะแสดงให้เราเห็นความเป็นจริงคือสภาวะธรรมสภาวะธรรมได้แก่กายกับใจของเรากายกับใจต้องเรามีตาหูจมูกเิ่นตายใจตาหูจมูกเล่นตายใจพระพุทธเจ้าพาเราเรียกว่าถาวรหรือประตูในเมื่อมีประตูถาวรย่อมมีสิ่งผ่านออกผ่านเข้า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 ท่านเคได้ยินปัญหาที่พระอาที่พระพุเตจ้าวกะถามพระอานุลไหมพระพุทธเจ้าจะถามพระอานุ์ว่าตูก่อนอานุ์ตัณหามันจะมันเกิดที่ไหนและมันจะดับลงที่ไหนพระอานุ์ก็โทนให้พระพุทธเจ้าเป็นผู้ตอบเองพระพุทธเจ้าก็ตอบว่าตูก่อนอานุ์ตัณหามันเกิดที่สวารคหก เพือตาหูจมูกเล่นกายไหลใจเมื่อมันดับมันก็ดับที่อาวัยหกเหมือนกันเพื่อดับที่ตาหูจมูกเล่นกายไหลใจอะไรที่มาโยโยุให้เราเกิดสัรพาโรคผ่านเข้ามาทางตาเกิดความยินดีเสียงผ่านเข้ามาทางหูเกิดความยินดีกลี่นผ่านเข้ามาทางจมูกเกิดความยินดี รสผ่านเข้ามาทางเล้งเกิดความยินดีสัมผัสข้ามาักผ่านมาทางายเกิดความยินดีทมอารมณ์ผ่านเข้ามาทางจิตเกิดความยินดีในเมื่อเกิดความยินดีแล้วก็ทเยอทยานอยากได้สิ่งนั้นในเมื่อมีการทะเยอทยานนั่นแหละคืออาการแห่งสัญหามันเกิดขึ้นแล้วทีนี้พ่อมาปฏิบัติธรรม มาทำสติรู้อยู่ที่ทวารหูตาหูจมูกเท้าใจอะไรผ่านเข้ามาทำสติรู้อะไรผ่านเข้ามาทำสติรูาาโ้โดยการทำสติรู้อย่างเดียวพระเ่งที่ผ่านเข้ามานั้นคือสภาวะธรรมสภาวะธรรมย่อมแสดงปากากการ์ให้เห็นจริงอยู่ตลอดเวลาเือมีความเกิดขึ้นทรงอยู่ดับไปเกิดขึ้นทรงอยู่ดับไปซึ่งธรรมชาติของมันจะเป็นอย่างนั้น ที่นนอกจากพวกเสียงเปี่ยนรสสัมผัสที่ผ่านเข้ามาทางตาหูจมูกเต้นตายแตใจแล้วสิ่งอื่นนอกจากนั้นเราจะมาเอามาพิจารณาเป็นอารมณ์กรรมฐานไม่ไทยหรือเอายกตัวอย่างเช่นผู้ที่เรียนจบมาในทางแพทย์เรียนจบมาทางวิชาอื่นๆซึ่งกันศาสตร์ต่างๆที่เรียนมาในสายโลกเช่นธรรมศาสตร์นิติศาสตร์นิสสวรตมศศาสตร์พิทยศาสตร์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 จะเอามาเป็นอารมณ์กรรมาฐานได้อย่างไรเิ่งนั่นแหละคือธรรมะฝ่ายกภาวะธรรมเราเรียนหนังสือมาแต่เบื้องต้นพอเราเปิดตำราการตำราออกมาเรามองเห็นด้วยตาตัวหนังสือที่มองเห็นนั่นคือรูปทีนี้ครูอาจารย์สอนบอกให้อ่านเราได้ยินด้วยหูนั่นคือเสียง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 สิ่งนั้นมีความเกิดขึ้นดับไปสิ่งนั้นมีความเกิดขึ้นดับไปเป็นเรื่องของธรรมดาแล้วทำไมจะเอามาเป็นอารมณ์รมฐานไม่ได้เพราะฉะนั้นไม่ว่าอะไรทั้งนั้นยังสมมติว่าพระสงฆ์เราบวชอยู่ในวัดเน่ถ้าสมัครจะเป็นนักภวาานารรมฐารเพียงแค่แต่ตั้งปัญหาถามตัวเองว่าเวลานี้เราเป็นอะไร แล้วก็หาคำตอบว่าเ่วลนนี้เราเป็นพระพระมีหน้าที่อย่างไรพระมีหน้าที่เรียนพระธรรมวินัยเรียนไปทำไมเรียนไปเพื่อปฏิบัติปฏิบัติไปทำไมปฏิบัติเพื่อความรู้ยิ่งเห็นจริงพิจารณาไปตามปฏิปัญญาที่เราสามารถจะพิจารณาได้เช่นอย่างชาวบ้านทั้งหลายที่ฟองเรียน อาจจะทั้งปัญหาถามตัวเองว่าเราครองเรือนเพื่ออะไรและเราจะอยู่เป็นกฤหัตเพื่ออะไรแล้วก็หาคาตอบให้กับตัวเองถามตอบถามต่อไปเรื่อ ย, อยด้วยการทำจิติจดจ้องเกี่ยวกับสิ่งที่เราสนใจแล้วคิดพิจารณาอยู่นั้นแล้วก็จะเป็นอุบายทําจิตให้สงบเป็นสมาธิสร้างเหมือนกันในอีกการหนึ่ง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 ภาวนาเอาตามเห็น้วเมื่อนั่งหลับตาภาวนาประโลมตาจนมาพักอาจารย์ผู้สอนกรรมฐานก็มักจะถามว่าเห็นอะไรไหมเห็นอะไรไหมทีนี้ถตาใครไม่รู้ไม่เห็นไม่มีคำตอบก็แสดงว่าภาวนาไม่ได้ผลจึงอยากจะขอทำความเข้าใจกับท่านทั้งหลายว่าการภาวนานี่มันเป็นกิริยาของจิต สมาธิเป็นเรื่องของจิตโดยปรงการเดินเดินนั่งนอนแม้เราจะเดินเดินนั่งนอนได้เวลาแค่ไหนเพียงใดเป็นแต่เพียงการเปลี่ยนกิริยาบุทธแต่การทำสมาธิสำคัญอยู่ที่การทำจิตการกันหลดจิตการทำจิตให้รู้ให้มีสิ่งรู้ทำปติให้มีสิ่งระลึก จนกระทั่งจิตของเราเกิดความสงบนิ่งลงเป็นสมาธิแล้วก็ประอกอบด้วยองค์มีติตสุเอกัตตสมีสติปัญญารู้จริงเห็นจริงในสภาวะธรรมส่วนวัย่นเวลาไม่สำคัญเราอาจจะทำสมาธิในท่าเดินท่ายืนท่านั่งท่านอน หรือถ้าใครจะเก่งงจะปักหัวลงกับพื้นชี้ขาขึ้นฟ้าบริกรรมภาวนาอยู่ได้ก็เชิญทำได้เท่านั้นที่เรามานั่งขัดสมาธิเอามือ่อฝาขาฝ า, าทับขาซ้ายเมือฝาทับมือซ้ายทั้งกายให้ตรงอันนี้เป็นวิธีการเป็นส่วนประกอบในการปฏิบัติแต่ที่แน่ๆจริงๆก็คือการทำจิตอย่างเดียว การทํำจิตนี้ก็ให้มีสติสัมปชัญญะมีพลังเข้มแข็งขึ้นจนกลายเป็นสติพลัง้งในเมื่อเรามีสติเป็นสติพละ้งสติมีกํำลังก็าสามารถที่จะประครับประองจิตให้ดํารงอยู่ในสภาพปกติเมื่อกระทบกับอารมณ์จะไม่มีความวั่นไหวง่ายหรือไม่หวันไหวเลยแต่ถ้าสติพละ้นี้ทพิมพลังขึ้นไปอีกกลายเป็นสตินสี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 แล้วถ้าสติเพอ่มพลังขึ้นจริ่งไปกว่านี้สภาวะจิตมีการประชุมพร้อมลงเป็นหนึ่งซึ่งเรียกว่าอาริยมรรคมากแต่ประชุมลงเป็นหนึ่งคือความเป็นหนึ่งของจิตโดยมีลักษณะจิตสงบนิ่งสว่างไม่ไหวติแต่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 สิ่งที่ปราบปรบจิตในขณะที่อริยมรรคประชุมพร้อมแม้จิตจะรู้เห็นอะไรสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นไม่มีสมมติบัญญัติเมื่อเห็นแล้วรู้แล้วก็ไม่เรียกชื่อสิ่งนั้นว่าอะไรมีแต่สิ่งที่ปรากปกานอยู่ภายในจิตเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปอยู่จยางนั้นแต่อะไรเกิดอะไรดับจิตไม่ว่า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 เพื่อสงบนิ่งอยู่ในจุดเดียวเฉยๆอยู่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นสมาธิในฌานเป็นสมาธิขั้นสมถะสมาธิขั้นสมถะถ้าจิตสงบนิ่งอยู่เฉยๆมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเสื่งองจิตแต่ซึ่งแตกต่าง ก, กันกับสมาธิในอริยมรรคเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังผู้ปฏิบัติเพึงสังเกตความเป็นของจิตของตัวเองตามในดังที่กล่าวมาแล้ว อันนี้คือหลักการที่ท่านเจ้าพระคุณอุบาลีรได้แนะนำพร่ำสอนลูกติดลูกหามาที่นี้ประการที่สามการเจริญเมตตาการเจริญเมตตานี้เป็นจิตเป็นกิจจำเป็นสำหรับนักปฏิบัติเพราะการเจริญเมตตานี้เป็นปปการประกาศความเป็นมิตรต่อสิ่งทั้งปวง ท่านเจ้าพระคุณบาลีเวลาท่านเข้าไปทุ้ตรงในป่าท่านมักจะเจริญเมตตาแล้วประกาศออกมาว่าเราสมณะมาสะแสวงหาความสงบมาสแสวงหาความพีเว z เราไม่ได้ตั้งใจจะมายึดเอาที่เอาทางของใครถ้าว่าท่านผู้ใด ซือสมมติว่าตัวมีตัวเป็นเจ้าของอยู่ในสถานที่นี้เราขออาศัยท่านบํนมมนาเพ็ญสมณธรรมชั่วขนาดหนึ่งแล้วก็จะหนีไปสู่ที่อื่นเรามาด้วยความไม่เบียดเบียนใครแล้วท่านก็แผ่เมตตาโดยนักว่าสัตว์ทั้งหลายผู้เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้น จงเ ป, เป็นผู้มีสุขกายสุขใจอย่าได้เบียดเบียนซึน่งกันและกันจงมีสุขรักษาตนให้พ้นภัยและจงมีสุขรักษาตนให้พ้นภัยและอย่าได้รกร่าวสจากสมบัติที่ตนได้แล้วเถิดท่านจะทาอย่างนี้เป็นจิจวัตรของท่านเป็นประจำแม้ตะว่าจะไปพักอยู่ใต้ร่มไม้ใหญ่ๆโบราณท่านถือว่าต้นไม้ใหญ่ต้องมีผี ผู้ตีต้องมีพระอยู่นี่ท่านเจ้าพระคุณุบาลีท่านถืออย่างนี้เพราะฉะนั้นต้นไม้ใหญ่ต้องมีเจ้าของโลกาเทวดาอาศัยอยู่ความที่ท่านจะเข้าไปอาศัยร่มเราท่านจึงขออนุญาตประกาศขออนุญา ต, ญาตเจ้าของเขาก่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เขาเบียดเบียนเราและประกาศให้เขารู้ว่าเรามาดีไม่ได้มา้าย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 ตายจากคนแก่ไปเป็นคนตายจริงๆในเมื่อตายจริงๆแล้วเน่าเน่าแล้วร่างกายทั้งปวงนี่ก็สลายสลายตัวไปเป็นดินน้ําลงไปนี่คือตายอันนี้เป็นอุบายอันหนึ่งที่เจ้าพระคุณอุบาลีท่านสอนได้อีกอย่างหนึ่งการที่เจราานาความตายเนี่ยข่านถือว่าเป็นเทวทูต คอยกระตุ้นเตือนจิตใจของตัวเองไม่ให้เกิดความประมาทการระลึกถึงความตายเป็นอุบายไม่ให้เกิดความประมาทและเป็นอุบายให้รู้จริงเห็นจริงเพื่อให้จิตของเรานี่ยอมรับสภาพความเป็นจริงว่าเราจะต้องตายในเมื่อจิตเรายอมรับสภาพความเป็นจริงว่าเราจะเข้าตายจริงๆแล้ว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 แล้วจากนั้นท่านจึงสอนให้และลึกถึงความตาย <c oughs> เพื่อกระตุ้ น, นเตือนให้ผู้ปฏิบัติไม่เกิดความประมาทในกานที่จะปฏิบัติธรรมต่อไปนี่คือหลักการที่เจ้าพระคุณบาลีได้นำมาสอนลูกศิษย์ลูกหาสึกสึกมาแต่ส่วนข้อความพิสดารหรือความละเอียดในเรื่องปัญหาดังที่กล่าวมาแล้วนี้ขอให้ท่านทั้งหลายได้โปรด ําหรับทําลาอ่านหนังสือดูศึกษาถามตามคูบาอาจารย์ต่างๆและขอให้ทําแนะนําว่าการปฏิบัติธรรมการปฏิบัติสมาทานเราปฏิบัติเพื่อทําจิตของเราให้มีสมาธิให้มีสติปัญญารู้จริงเห็นจริงในสภาวาธรรมตามความเป็นจริงเพื่อให้จิตของเราเป็นอิสระมีอํานาจเหนืออารมณ์ทั้งปวง เพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมนี่ยึงไม่จำเป็นจะต้องไปอาศัยพลังจิตของใครมาช่วยจิตของเราและไม่จำเป็นจะต้องไปอันเชิญเอาอำ น, นาจบนฟ้าบนสวรรค์มาช่วยให้เราได้ปฏิบัติเห็นผลง่ายๆบางท่านก็ถามว่าทำอย่างไรปฏิบัติธรรมจึงจะเห็นผลได้ผลเร็วคำตอบก็คือว่า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 นับรองว่าจิตของท่านจะต้องสงบเป็นสมาธิแล้วก็ได้รู้ทำเห็นทำตามคว า, ามสามารถได้กล่าวธรรมะพอเป็นเครื่องเตือนใจของบรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายก็เห็นว่าพอสมควรแก่กาละเวลาจึงขอยุติไว้ด้วยประการละชะนี้ อ่าก่อนที่จะขึ้นธรรมะ ก, ก็มีผู้พบว่บาฝากปัญหามาทำ <c oughs> ถามว่าขณะธรรมสมาธิจะรู้ได้อย่างไรว่าจิตโจนจะเข้าสู่ภาวังแล้วและจะรู้อย่างไรว่าจิตกาลังอยู่ในภาพวังอันนี้เราเพิ่งสังเกตว่าถ้าเราเกิดมีกายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบ กายคล่องจิตคล่องกายควรจิตควรเพิง่งเข้าใจเถิดว่าจิตของเรากำลังจะเข้าเข้าสู่พวังทีนี้คํำว่าพวังเนี่ยหมายถึงช่วงว่างระหว่างที่จิตกำลังบริกรรมภาวนาอยู่แล้วปล่อยวางคำภาวนา มีอาการตกโว้บลงไปวูบเป็นอาการเป็นความว่างของจิตช่วงที่วูบเนี่ไปถึงระยะจิตนิ่งช่วงนี้เรียกว่าจิตตกผ้าวังทีนี้เมื่อจิตตกพ้าวังโว้บลงไปนิ่งพักถ้าไม่หลับสมาธิสูถ้าจะเิดความหลับก็หลับไปอย่างไม่รู้ตัว แต่ถ้าสมาธิจะเกิดพอเนิ่งพับจิตเกิดสว่างสแสดงว่าจิตเข้าถู่สมาธิถ้านิ่งพับเมืดนิดไม่รู้เรื่องจิตตอนหลับนี่เพงสังเกตอย่างนี้จิตที่เข้าสมาธิต้องผ่านพวังไปก่อนพวังคือช่วงว่างของจิต ที่ปราศจากสติเช่นอย่างเราคิดเราคิดถึงสิ่งหนึ่งเช่นคิดถึงแดงได้จะเปลี่ยนไปคิดถึงขาวช่วงว่างระหว่างขาวกับแดงนี่ตรงกลางนี่เรียกว่าภาวะสมาธิที่จิตปล่อยวางบริกรรมภาวนามีอาการเคลิ้ ม, ลมแล้วก็วูบ ช่วงโว้เรียกว่าจิตตกพระวังเมื่อโว้กแล้วนิ่งเมืดอมิดไปเรียกว่าจิตหลับถ้าโว้กนิ่งพับเกิดความสว่างล่งขึ้นมาจิตเป็นสมาธิจึงทําความเข้าใจอย่างนี้ปัญหาต่อไปทราบว่าขณะง่วงนอนและต่อสู่กับความง่วงอยู่นั้นจะเป็นโอกาสให้สติ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 ก็กลายเป็นความม่วงและลันคําตอบก็มีอยู่เพียงแค่นี้ทีนี้ปัญหาต่อไปธรรมะของอาจารย์มัน่นซึ่งเรียกว่ามุตโตไทแปลแล้วมีความหมายว่าอย่างไรและมีความสําคัญอย่างไรเราปฏิบัติธรรมเพื่อความวิมุตเพื่อวิมุตคือความหลุดพ้น ถ้ายะแปลว่าหัวใจมดโตแปลว่าคน้นธรรมะของอาจารย์มั่นที่ว่ามดโตไทยก็แปลว่าธรรมะเป็นเครื่องคน้นมีรรมความสำคัญสำหรับผู้ปฏิบัติเพาผู้ปฏิบัติมุ่งต่อความหลุดพ้นเราทำศีลธรรมาที่ปัญญาให้เกิดขึ้นพร้อมในจิตซึ่งเรียกว่าการประชุมพร้อมของอริยมรรค แต่เราไม่ได้ปฏิบัติเอาศีลสมาธิปัญญาเราปฏิบัติเอาความหลุดพน้นคือพ้นจากกิเลศศีล ส, สมาธิปัญญาเป็นแต่เพียงอุปายทําให้เราพ้นจากกิเลศขณะทำสมาธิเกิดนิมิตขึ้นมาเป็นภาพจะต้องปฏิบัติหรือกําหนดจิตอย่างไรในเมื่อทำสมาธิแล้วจิตสงบลงไปเกิดเป็นนิมิตภาพขึ้นมา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 บางทีในมิตรนั้นอาจจะแสดงอสุภะกรรมาฐานหรือแสดงความตายถ้าแสดงอสุภกรรมาฐานให้เราดูเช่นล้มตายลงไปเน่าเปื่อยปุพังก็ได้อสุภกรรมาฐานได้มรณะสติถ้าจิตของคนนั้นสําคัญมั่นหมายมในพระไตรลักษณ์ภาพในมิตรนี้มันก็ไม่เที่ยงมันปรากฏขึ้นมาแล้วมันก็ล้มตายไปตายไปแล้วก็เปลี่ยนแปลง เ, เป็นเน่าเปื่อย ผ, ผุพังสลายตัวไป เสร็จแล้วมันก็ได้วิปัสสนาธรรมทานเพราะฉะนั้นในเมื่อภาวนาเกิดในมดเมตขึ้นมาแล้วอยา่าไปดีใจเสียใจกับนิมิตนั้นให้ประคองจิตให้รู้อยู่เฉยธรรมชาติของในเมตนี่เมื่อมันเกิดขึ้นแล้วมันย่อมมีการเปลี่ยนแปลงในเมื่อมันมีการเปลี่ยนแปลงก็ทำให้เรารู้ทำให้รู้ว่า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 โชคมันดับไปก็คือความกเกิดดับโชเกิดขึ้นโชคดับไปก็คือความเกิดดับเมื่อเรามีสติกำหนดรู้ความเป็นของมันอยู่อย่างนี้เราก็ได้สติปัญญาดีขึ้นเราอาจจะเกิดปัญญารู้อนิจจังทุกขังอนัตตาขึ้นมาได้ถูกไหมถ้าวนาไจเกิดตัวไหนจะทำอย่างไร จิตก็อมองจะทำอย่างไรความเบื่อเป็นอาการของกิเลสในเมื่อมันเกิดเบื่อพิจารณาความเบื่อถ้าความเบื่อเป็นอารมณ์ถามตัวเองไปว่าทำไมมันจึงเบื่อเมื่อได้คำตอบคำนี้แล้วถามต่อไปอีกว่าทำไมทำไมทำไมเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะอะไรไล่มันไปจนมานจนมุม เอาความเบื่อเป็นอารมณ์เอาความเบื่อเป็นเครื่องรู้แล้วก็พิจรารณาหาเหตุผลในความเบื่อให้มันได้การพิจรารณาเช่นนี้ก็คือการพิจรารณาวิปัสสนากรรมฐานจิตเศร้าหมองก็พยายามภาวนาให้มากๆพิจรารณาให้มากๆในเมื่อจิตันรู้แจ้งเห็นจริงแล้วมันจะหายเบื่อและหายเศร้าหมอง มันมองเห็นกายเป็นสิ่งที่น่ากลัวเพราะมันเกิดทุกข์แล้วก็เบื่อมองเห็นกายเป็นของสกปรกมันลังเกียจมันเกิดเบื่ออันนี้เป็นอาการของกิเลสถ้ามันเกิดอาการอย่างนี้ขึ้นมาแล้วเราขาดสติไปถือเอาความเบื่อเป็นเรื่อง